ไว้ความเคารพหลวงพ่อและคณะสงฆ์ทุกๆองคทุกๆท่านนะครับทุกๆะจะพูดอะไรก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะแต่จะมาพูดจริงๆก็จะพูดก็ยากหน่อยแต่ว่าการพูดเล่นๆมันเป็นคนชอบพูดเล่นก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีนี่แต่และทีก็ขึ้นยากพิธีการแบบนี้ก็ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ <c oughs> ให้โยม ท่านเข้าทํำสบายๆเนาะอาธมาพ่อคงจะพูดเรื่องประสบการณ์บ้างที่ตั้งแต่บวชมาแล้วก็เข้ามาถึงจุดนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมาจำบรญชาหลวงพ่ออยู่น้องตลอดพรรษาหนึ่งแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่พร้อมจานทร์พ่ไม่เท่ากับพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าได้เข้าหลังจากการพรงมาที่นี่หนึ่งเดือนแล้วก็มาช่วยสร้างตั้งแต่ที่จานทร์พงพูดนั้นแหละก็มา พอพอเข้ามาปุ๊บมัมาช่วยกันทำเพราะว่าเห็นสัตวป่ายะมันดีแต่ที่มันที่มันเป็นที่ขอเก่าวัดเก่าเขาเราก็คิดว่าเออเป็นที่ปฏิบัติทำมันสมควรแจ่ปฏิบัติก็เลยทุ่มเทแต่งกายด้วยตอนแรกก็เพราะว่าตัวสังขาอรอตมาเองเนี่ยเคยไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็ไปเจอปัญหาคือหลังยอกหลังยอกมาแล้วก็ไปอยู่มันก็ มันก็เขมันก็เป็นแผลมันหลังมันก็ยอกมาตั้งแต่นานแต่พอวันนี้ทำงานหนักมันก็พอมันก็ดีขึ้นแต่พอเข้ามาที่สถานที่ตรงนี้งานมันเยอะพองานมันเยอะนี่ก็ใจก็อยากช่วยเนาะไม่ไม่ใช่ไม่อยากไม่ช่วยใจก็อยากช่วยขึ้นเขาลงห้วยไปตัดไม้ไผ่มาทำปุติเขาเฉพาะอาจารย์พงศ์อาจารย์แบร์เนี่ยอาจารย์แบรหลวงก็แบนเนี่ย แต่ที 20, ละยี่สบสาสิบลำเอาลงมาบางทีถ้าไม้ไม้สั่งเอามาทีละสามลำสี่ลำแต่อาจามาแค่สองลำแค่แทบไม่ไหวเพราะมันเจ็บมันแป๊บแป๊บแป๊บมันแปขบที่หลังก็เวทนามันมากแต่ตอนนั้นก็พอเข้าใจความรู้สึกตัวอยู่เพราะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นจากการทํางานเนี่ยเวลามันทําหนักมันก็จะรู้สึกแป๊บนั่นคือความรู้สึกตัวเรา เราก็จับสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละถ้าขึ้นไปก็ดูเขาดูขามันก็รู้สึกตามแต่เวลามันหนักมันก็แป๊บมันก็เจ็บตัวเจ็บก็เป็นตัวดูเป็นตัวรู้สึกเขาพยายามทําดูท ำ, ทำมันก็มีวันหนึ่งที่มันสาหัสมากไปยกโถเอ่อ ท, ที่ท่อท่อถังอันนั้นเนาะก็มันหนะักยกสี่คนเอาลงน่ะหลังดังโคตรเดียพอดังปุปวดมาตั้งแต่นั้น จะมายกของนะักแค่สิบกิโลเนี่ยยกมือข้างเดียวยกไม่ขึ้นมันแป๊บแป๊บถ้ายกครั้งหนึ่งเนี่ยร้องมันมันร้อนร้อนหลังถ้าจะเป็นไข่ยอยู่สามวันต้องกินยาพาราตลอดกินยาแก้ไข้ตลอดก็เลยว่าโอ้สงไขยฟังคานไม่ไหวพอดีพอปีนั้นหลวงพ่อไม่อยู่พหลวงพ่อจะให้ไปจำพรรษาอยู่พรรษาที่สองไปําที่นี่พรรษาที่สามไปอยู่ที่นองพักหลอดกับหลวงพ่อสายทอง พอดีมันก็ร่างกายก็ไม่ไหวด้วยพอหลังจากตรงนั้นจมรสาที่น้องพักหล่อเสร็จก็เข้าไปของพ่อให้ไปอยู่ที่ระยองพอเข้าไประยองแล้วไม่กลับมาเลยพาอเบทนามันร่างกายมันไม่ไหวรักษาไปไหนก็กินแต่ยาหาแต่ยารักษาตัวเองแต่การที่สังขารมันเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันแต่ก็ไม่ได้ทุกข์กับมันนะก็อยู่กับมันตลอดก็ศึกษามัน การที่เราไปอยู่คนเดียววิเวกบางครั้งขาดญาติขาดพี่ขาดน้องที่ไปเพราะว่าถ้าจะไปอยู่กับหมู่คณะก็หมู่คณะเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าสังขารเราทำงานเพราะว่านักบวชเนี่ยจะไม่นั่งดูเดี๋ยวไปนั่งดูญาติเพื่อนเพื่อ น, อนทางานก็ทำไม่ไดก้ก็จำเป็นต้องทำพอทำร่างกายมันก็เจ็บมันก็เวทนา ตัวเวทนามากใจของเราก็ไม่มั่นคงมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็ทำให้ใจเราไม่สบายด้วยก็คิดว่าถ้าวันนั้นถ้าออกไปแล้วถามว่าถ้าไม่มีศรัทธาในการบวชไม่มีศรัทธาในการเจริญสติถ้าไม่ได้สติตัวนี้นะคิดว่าจะสึกออกไปเพราะว่ามันทังขามันไม่ไหวจะทาไปจะทำจิตของสงฆ์ก็ไม่ได้คิดว่าเออจะไป แต่ใจนึ่งมันบอกว่าเอ๊ะทำไมเราบวชมาได้เราเข้าใจขนาดนี้เรารู้สึกตัวเราว่าเรามีความสุขแท้จริงมันคืออยู่ตรงนี้เราทำมาเราก็สัมผัสมันได้เราก็เห็นมันได้เราอยู่กับมันได้เราจะศึกไปทำไมมีใจมันก็บอกว่าจะศึกไปทำไมใจมันก็บอกถ้าไม่จำเป็นจะไม่ศึกมันบอกบอกว่าอย่างงั้นก็ไปหาที่อยู่ถ้าจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์มันก็ไม่ไหว สังขารมันเจ็บมากๆพอมันเจ็บเๆก็เลยครับกลับมาบ้านพอไปบ้านเนี่ยก็เลยไปอยู่คนเดียวรูปเดียวไปอยู่รูปเดียวก็ไปอยู่กระท่อมนาโยมพ่อโยมแม่ก็ให้ที่สีไร่พอสีไร่เสร็จเอออาตมาก็ทําปุฏิบ้างทําอะไรบ้างทําห้องน้ําบ้างพอที่จะตอนไปใหม่ๆก็ไม่มีหรอกก็แค่เอาไม้สักสักแค่นั้นเองแล้วก็อยู่กระท่อมนา แต่มันก็ดีนะโยมตอนเราอยู่กับคนหลายคนครับเพื่อนหมูนะ่คณะใจของเราก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบในในการแต่พออยู่คนเดียวเมื่อมันไปอยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็คิดถึงเพื่อนการอยู่การกินอยากเคยกินมีเคยกินอิ่มกินเต็มก็เคยได้กินแต่ใบนูน่นน้ำปานะถ้าไปวินท่าบา ถ้าโยมเขาใส่ให้ก็ได้ฉันมันไม่ค่อยเป็นนะแบบนี้มันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์หนึ่งเขาหายมานานแล้วเมื่อก่อนปิติมันเยอะภ า, าวนาเนี่ยมันเยอะมากก็อยู่ได้วะมันก็ทุกข์ทั้งกายก็ประยุคต์คนเดียว แต่มันก็ไม่เที่ยงมันเกิดได้มันก็ดับได้เนาะแต่นนี้มันเป็นอารมณ์ทางจิตแต่มันไปปรุงแต่งกับอารมณ์ที่เป็นเห็นความที่มันสัญญาเก่าที่มันเห็นมันก็สติมันเห็นอยู่แต่มันหยุดมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นอารมณ์เป็นธรรมชาติของจิตที่มันเป็นแต่เราห้ามมันไม่ได้แต่เราดูมันได้ดูมันเป็นได้แต่เราไม่ได้เป็นแต่ว่าคือตอนนี้มันเป็นแนีะ มันมีความรู้สึกมันหายไปนานแล้วแต่มันเพิ่งกลับมาเรื่องว่ามันหมดไปแล้วพอหลังจากนั้นมาก็ไปอยู่บินทบาท อ, อตอนเย็นก็ก็หลวงพ่อพาฝึกมีอะไรก็กินอันนั้นแล้วก็อยู่ที่ตอนตอนมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ให้ฉันน้ำํำมูดเน่าพอตกเย็นเย็นมาไม่มีน้ำปณะก็ฉันนี้แหละมันก็ไม่หิว เวบินถั่บักก็บางมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็น้ำเยี่ยวยายก <c oughs> <c oughs> ินฉี่ตัวเองนั่นแหละ <c oughs> เพราะว่าเราก็กินอยู่ประจำอยู่แล้วแต่เราเปลี่ยนจากเวลานั้นมากินเวลานี้มันก็ดีมันก็นได้รสชาติในกศึกษาถ้าเรากินตอนเช้ามันก็รดชาติอีกแบบหนึง่งแต่พอตอนเย็นวันนี้เรากินอะไรบ้าง มันจะมีหวานเปรี้ยวเค็มมันมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเออมันก็กระเพาะมันก็ไม่หิวไม่อะไรก็มันก็ถือว่าเรากินยาพุทธเจ้าบอกมันก็ถือว่าดีกว่าไปไปจินนมกล่องนมอะไรพอหลังจากนั้นมากินเสร็จมากินนมกล่องพอมาพ อ, พอมีญาติโยมเข้ามาบ้างก็ได้กินนมกล่องเมื่อไปกินนมก่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดกดไหลย้อนปวดท้องกระเพาะอ่อาวันนี้ แตมาเป็นเดี๋ยวนี้ก็กำลัง ป, ปวดอยู่เมื่อเช้ากินข้าวไม่ทันเวลาผิดเวลาไปนก็เจ็บก็เลยไปหาอะไรทานพอทานจบตอนนี้ก็ยังลมมันตีขึ้นอยู่เการู้สึกว่ามีทนามีมันก็เป็นเรื่องของกายพอหวังไปอยู่ก็ไปดูตัวเองไปเห็นตัวเองเห็นใจมันนึกคิดเห็นใจแต่ว่าเราไม่ทิ้งความรู้สึกเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว พอรู้สึกอยู่กับมันอยู่กับรู้วมรู้สึกสิ่งนั้นนั้นก็เกิดการแทนที่มันจะเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันมีแต่มันกับสิ่งที่ทุกข์นั้นทําให้เกิดสุขเพราะจิตของมันไปเห็นธรรมธรรมชาติที่ว่าเออธรรมดาสังขารมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วจิตใจของคนเราถ้าอยู่คนเดียวเราก็เห็นความแตกต่างของจิตมันมีเวลาได้ดูตัวเองไปออกจากครูบาอาจารย์ไปเนี่ยถ้าไม่ไปอยู่ที่นั้นก็สึกก็เลยจําเป็นต้องอยู่เพราะชอบ เพราะรักเพราะว่าทางเดียวที่เราต้องอยู่ได้ก็ภาวนาตื่นก็ถ้าไปอยู่คนเดียวเนี่ยต้องเข้มแข็งมากนะผ้าที่เราถ้าเราจะอยู่อยู่คนเดียวได้เนี่ยต้องเข้มแข็งต้องมีสัจจ ก, กับตัวเองวินยัยต้องมีการเจริญสติการภาวนาต้องต้องมีวินัยให้ตัวเองอเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่เราอยากทำอะไรก็ทําได้มันก็เกิดเป็นการที่ทําให้เรา ไม่พัฒ น, นาเราต้องมีวิเลยตื่นตีสามอยู่วัดยังอยู่กับเพื่อนหมู่คณะอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นก็ตื่นมาก็เดินจงกรมเดินจงกรมก็ไปวินธ บ, บาดกลับมาก็จินฉันก็เดินคือไปอยู่สามเดือนเนี่ยนาสินาสิบห้าไล่โยมไม่เคยไปด้านหนา้าดัดด้านหลังเลยแต่บอกอาณาอยู่ระหว่างกลางไม่ได้เดินไปไหนตื่นขึ้นมาก็เข้าเข้าทางโยกจงกรม อ, อย่างมากไปอย่างไกลก็ไปเข้าห้องน้ําก็ไปวิญธาบาดกลับมาก็อยู่แค่เนี้ย เดินเดินไปเดินมาดูตัวเองศึกษาตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยบางครั้งมันก็ทุกข์บ้างทุกข์เพราะเหตุปัจจัยภายนอกบ้างภายในบ้างภายนอกก็คือจากสิ่งถ้าภายนอกเรื่องอารมณ์ก็เกิดจากความคิดความเห็นความน้อยอกน้อยใจบางครั้งเรามีเพื่อนบางทีเรามาเรามามีมีเพื่อนมีเพื่อนหมู่คณะก็ไม่โทรหาก็ไม่ได้โทรหาก็อยู่คนบางครั้งก็อยู่ บางครั้งก็คิดถึงก็อยากคุยอยากพูดแต่ก็คุยไปคุยมามันก็เออมันทำให้เราบางครั้งก็นึกถึงนะนึกถึงเพื่อนนึกถึงคณะบางทีอยู่ๆมันก็ทุกข์อเวทนาทางกายเกิดมันก็เห็นกายเห็นจิตตัวเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่กว่าจะมาเห็นตัวนี้ได้เราต้องอยู่กับความรู้สึก าพอความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆมันก็จะเห็นจิตเห็นใจตัวเองได้ชัดขึ้นได้มีเวลาดูตัวเองได้จำแจ้งขึ้นดูความคิดดูกายเห็นจิตนี่มันนึกมันคิดเมื่อเห็นมันคิดปุ๊บเนี่ยแรกๆอาตมาว่ามันคิดเห็นมันมันมีคิดใหม่ๆไปอยู่มันมีคิดมากมากชิดเรื่องนุน่นบ้างคิดเรื่องนี้มาทาั้งๆที่เดินแต่ก็รู้สึก รู้สึกแต่มันก็มีคู่กันกับความคิดความคิดรู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก็ความคิดก็เบาๆมันก็รูประมาณสามความคิดก็ประมาณ30ิเอเซอยู่แต่เราไปอยู่กับความรู้สึกเจ็ดสิปอร์เซนอยู่กับกายเคลื่อนไหวไปมาอยู่เงี้ยมันก็จะเห็นความคิดที่ไหลมาเป็นมาแล้วก็มันก็ไม่เที่ยงอีกเดี๋ยวมันก็หายไปตั้งอยู่ก็ดับไปความคิดเนี่ยแต่มันไม่ได้เห็นความคิดนะแต่มันรู้ความคิดเฉยๆรู้ว่ามันคิด แต่มันยังไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรทําไปพักหนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยมันเดือนหนึ่งสองเดือนเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความรู้ว่าตัวเองคิดคิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องคิดจบแล้วก็คิดอีกคิดจบแล้วก็คิดคิดต่อเรื่องต่อเนื่องต่อเนื่องพอเรายิ่งคิดเราก็ยิ่งอยู่กับความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความคิดเหล่านั้นก็จะหมุนลงสั้นลงสั้นลงเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่อง มันเลยเข้าใจเห็นว่าเออชีวิตถ้าเราไปถ้ามีสติดูวันเนี่ยมันก็จะขณะนั้นน่ยมันสงสัยมันจัดล้างออกจากสัญญาเก่าๆมันจะผุดขึ้นผุดขึ้นแต่เรารู้ว่ามันชิดเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเฉยๆนะจนกว่ามันอยู่นิ่งเรื่องมันนั้นอย่างที่มันมีหนึ่งรเรื่องอย่างผมว่าเทียนบอกว่ามันหายไปทีละหนึ่งเรื่อง2เรื่องสามเรื่องจาก90้าิบมามาแปดสิบมาเจ็สิบมาจนมาเดียวนึงตอนช่วงระยะเวลาที่มันอยู่เหลือหนึ่งหรือ2 ขณะนี่ยสองเรื่องเนี่ยมันจะวนมาแล้วก็ว่างวนนานนะถ้ารอบของมันกว้างหน่อยสติสมาธิของเราเยอะเนี่ยมันก็จะหา่างมันก็จะโลง่ลงโปร่งเบาสบายมันก็วนมาอีกเดี๋ยวความคิดตรงนี้ขึ้นมาใหม่ปับ๊บอ่าเห็นมันคิด <S S S S S S มันคิดจบไปก็หมุนมาอีกมันอยู่เหลเรื่องสองเรื่องพอเรื่องหนึ่งหมดไปจบเดี๋ยอยู่เรื่องเดียวอย่าง วันวันหนึ่งไม่คิดไม่มีอะไรเลยหายมีแต่ความโปร่งเบาสบายพอมันรอบถึงเวลามันปุ๊บนี่ความคิดเกิดขึ้นปุ๊บสติไปเห็นปุ๊บเห็นการเกิดของความคิดที่คิดมันกระเพื่อมปุ๊บอ่ะเพนตีนมันเพื่อมปุ๊บสติไปเห็นปุ๊บอ๋อมันดับปั๊บตั้งแต่นั้นมันพอเห็นปุ๊บมันดับหายสูญไปเลยความคิดติพบความคิดนั้นมันก็หมดไปเลยมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความอารมณ์ที่ความว่างว่า จิตเป็นปกติแต่มันไม่ได้ปกติจากการความโกรธความโลภความหลงนะความโกรธยังมีความโลภยังมีความหลงยังมีแต่มันก็เบาบางลงทีละนิดท่านั้นเห็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็รู้สึกกายเห็นกายในกายเห็นกายเคลื่อนเห็นใจไหวเห็นใจนึกคิดพอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊เห็นเนื้อการเกิดเห็นขบวนการของมันแต่สิ่งที่เห็นแล้วนั้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราตัวเราอีกตัวหนึ่ง ตัวเห็นตัวอาการทางกายก็การเจ็บการปวดการปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยกินข้าวหิวไม่หิวเป็นขับถ่ายแตสิ่งอันนี้เป็นเวทนาเป็นเกิดทางกายบางครั้งเกิดทางกายมันเห็นขึ้นเมื่อมันเห็นกายชัดมันก็เห็นความนึกคิดเกิดขึ้นจากกิจบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเห็นบ่อยๆมันก็เป็นเห็นเป็นอาการเมื่อก่อนเห็นแรกๆมันเป็นอารมณ์ อารมณ์นี่คือกายกับใจมันไปร่วมกันเมื่อมันไปร่วมมันก็เลยเป็นอารมณ์ถ้าเกิดจากกายเกิดจากกายจิตเข้าไปรับรู้กายไปไปเห็นปุ๊บมันก็เป็นผู้ร่วมกายฉันเป็นฉันปวดฉันเมื่อยฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้พอมันออกมาปุ๊บกายกายเป็นแต่ใจไม่เป็นบางครั้งเกิดจากทางกายเข้าสู่ถึงจิตบางครั้งเกิดจากจิตเข้ามาสู่ถึงกาย แต่ถ้าสติไปอยู่ระหว่างกลางรู้เท่าทันปั๊บมันจะหยุดส่วนใครส่วนมันมันจะเห็นการเคลื่อนของกายต่างหากเห็นใจการเคลื่อนของกิตต่างหากมันจะเข้ากันไม่ได้ถ้าเมื่อไรมันเข้ากันเมื่อไหร่มันจะเกิดอารมณ์เมื่อมันเกิดอารมณ์อย่างเมื่อกี้สติมันเห็นเมื่อกี้อาตมาพูดปุ๊บความคิดทางกิจมันอารมณ์ทางกิจปรากฏขึ้นมันสะท้อนมาทางกายที่อึดอัดหัดเคืองหายใจไม่ออก เหมือนจะร้องไห้นี่คือมันเป็นอารมณ์ร่วมกันพอสักพักหนึ่งอาตมาก็ดูมันไปมันก็หายไปเมื่อมันหายไปจิตมันก็เป็นปกติมันไม่มีอารมณ์เข้ามาร่วมมันก็เห็นอาการของกายจบกายเป็นใจก็เป็นเห็นกายอย่างนี้ดูอย่างนี้ตั้งแต่อาตมาไปอยู่ได้พรรษาหนึ่งตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็อาตมาอยู่นั้นสิบปีพอดีอาตมาบวชก็สิบสี่ปีสิบสี่ปีนี้เข้ามา แต่รู้ตัวนี้เข้าใจอย่างตัวนี้สิบสี่ปีมาแล้วไหนมันก็อยู่ยังไงก็ได้ตอนนี้เมื่อก่อนี่อยู่ต้องอยู่กับเพื่อนต้องหาอยากหาเพื่อนอยากหาคนทุกวันนี้อะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้มันอยู่ที่ใจเราใจเราคงเป็นของใจของเราเป็นปกติเมื่อใจของเราเป็นปกติปุ๊บเนี่ที่ไหนมันก็ไม่มีทุกมามันมีสักวันหนึ่งสักพักนึงแหละมันก็จะมาบอกตัวเองว่า ความวุ่นวายนะมันไม่ได้อยู่ที่ไกลมันความวุ่นวายเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราที่วุ่นวายเองเราไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กับสิ่งภายนอกถ้าจิตใจของเราที่ไม่วุ่นวายแล้วเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่วุ่นวายตั้งแต่ความเนเห็นตัวนี้ปุ๊บมันหลุดออกไปเลยไปอยู่ที่ไหนอยู่กับความวุ่านวายมันก็ไม่มีเขาจะร้องราทาเพลงมันก็เฉยโอ้นี่คือความสงบจริงๆนท่านบอกว่า อยู่ที่อยู่ความมุ่นหายอยู่ที่ไหนความสงบอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เสียงสงัดแต่มันใจของเราสงบเมื่อใจของเราสงบปุ๊บขนาดนั้นปุ๊บนี่หูมันจะมีอาการดังอยู่ตลอดเวลาดังเหมือนลมเหมือนลมพัดเหมือนจิ้งหรีดแต่ลัยร้องในหูเราทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนอนมันจะดังออันนี้ที่แรกก็ไม่รู้ว่านึกว่าหูหูเราเนี่ยดับ แต่ไปดูมาปุ๊บเนี่ยมันมีมากกับความสุขที่เกิดขึ้นมันไปเข้าใจว่านี่คือวิเวกของจิตเออมันเป็นวิเวกเสียงเลารร้องตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนอนทุกวันแต่ไม่ได้อคาญแต่ก็มีความสุขกับในเสียงแต่ก็ไม่ได้ไปอยู่ในเสียงก็ได้ยินเสียงแต่ไม่ได้อยู่ในเสียงก็ได้เห็นใจที่มันเป็น เห็นใจที่มันมีโอ้ ม, มีความสุขมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันเนี้แต่การที่เข้าใจความรู้สึกตัวจริงๆเนีย่ยโยมโยมแม่เออมันเข้ามาอยู่นิดก่อนตอนกินข้าวเนี่ยอา จ, อาจมาอาศัยการชัญชาติยานเป็นธรรมชาติแต่เอาใจไปรับรู้สิ่งที่กระทบฟันกระทบอาหารฟันกระทบอาหารมอวังกระทบปุ๊บนี่มันจะรู้สึกว่าเออนี่ ถัวนี่กล้วยนี่พริกนี่มันจะบอกรู้ความรู้สึกมันจะบอกความรู้สึกเองเพราะดินมันสัมผัสฟันมันสัมผัสอาหารพอสัมผัสอาหารเสร็จปุ๊บตั้งแต่กินข้าวกําข้าวป้อนข้าวใส่ปากมันก็จะเจริญสติไปหมดเลยทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันธาตตามดูความรู้สึกเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนอนเลยตั้งแต่เดินออกจากที่นอนทุกขึ้นใส่กางเกงลูกออกสิกรูทีบรูอะไรมันเห็นหมด มันรู้ไปหมดเลยมันรู้แต่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าเราฝึกการกินเนี่ยเราก็กินอยู่กับฟันกับปากแต่อาอาศัยธรรมชาติเราเวลาเรากินเราได้บอกมันเชี่ยวไหมไม่ได้บอกได้บอกอาปากไหมไม่พอถึงปุ๊บมันก็เข้าอาปากกินเชียวเองแต่เราอาศัยธรรมชาติไปอยู่ตรงนั้นอาศัยธรรมชาติอย่างเดียว คือการเคลื่อนไหวก็มีอยู่แต่ว่าการธรรมชาติเ ย, ย, ยอะๆบทย่อยของเรามันเยอะมากกว่าที่การปฏิบัติก็มีตั้งแต่กินเดินเดินนั่งนอ น, นเป็นอาการทั้งหมดเลยเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยว่า อ, อการการเจริญสติจริงๆแล้วมันง่ายๆมันไม่ได้เรื่องยากทำหลับคนใหม่ยิ่งง่ายมากเลยอาตมาไปลองตั้งแต่พอมีผลตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยลองไปให้ญาติโยมดูเนี่ย ไปเผยแพร่อยู่ที่ทางตะวันออกบ้างจะไปไปทางแถวตะวันออกประยองจันทร์ดอยู่ก็ไปบ้างแต่ก็อยู่เวลาไปก็ไปทีหนึงก็ยังดีหน่อยก็ค่าน้ํำข้าไฟเขาพอดีหมดค่าน้ํำข้าไฟแล้วไปใหม่ยังมีค่าน้ํำข้าไฟไปกี่ก็อยู่อย่างนั้นถ้าเขามีนิมนต์ไปเขาไปไปพ่อได้ค่าน้ํำข้าไฟแล้วกลับมาก็สามเดือนก็จ่ายค่าน้ำข้าไฟจบก็หาไปใหม่ลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ทุกนะ มันไม่ได้ทุกในสิ่งทีม่มีแล้วมันก็ไม่ได้เสียดายมันมันมันอยู่กับมันได้เราอยู่กับธรรมชาติเราก็เห็นธรรมชาติเราอยู่กับตัวเราเราก็เห็นตัวเราเห็นกายเราเห็นใจเราเห็นกายเห็นใจที่มันเป mm. ็นอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นนั้นเราก็มีความสุขอยู่กับมันเห็นอยู่กับมันอยู่กับมันอย่างเงี้ยแต่พอที่เมื่อกี้จะพูดถึงไหนเราไม่รู้ ไฟมันดับสติมันหายอารมณ์มันไปเดี๋ยวเริ่มใหม่ถึงตรงได้ยังไงไงฮะเออการกินเนาะเนาะมันเริ่มเนาะมันเริ่มเล้วเร็วได้ยังไงมูยยมอมยัง่งมอเนี่ยเออสมัสดีอาจารย์เห็นขนาดเริ่มจ่อยเริ่มจ่อยเริ่มจ่อยมันเริ่มได้ยังไงแต่มันไ่เริ่มจากของได้ยังไงแต่มันเริ่มคน มันไ่ลืมความรู้สึกตัวมันไม่ลืมความรู้สึกตัวแต่มันลืมบุคคลสิ่งที่มันไม่จําเป็นมันก็ไม่บันทึกถ้ามันจําเป็นใช้มันเอาจําบันทึกไว้อยู่ถ้าสิ่งที่ไม่จําเป็นมันมันคิดว่าเห็นมันเหมือนกับว่ามันไข่มันเป็นขยะจิตมันจะผัดทิ้งผัดทิ้งอันไหนที่มันเป็นประโยชน์มันก็เก็บไว้อันไหนไม่เป็นประโยชน์มันก็ถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งไปพอถ่ายทิ้งไปเสร็จมันก็ไม่มีภาระสมองเราก็โปร่งเบาสบาย จิตใจของเราก็เป็นอิสระถ้าเราไปยึดสิ่งเหล่านี้มันมันไม่อิสระอีกต่อตอนทานการกินการดื่มเนี่ยอาตมาก็ไปยกข้าวใส่ปากก็กินปุ๊บมันนั้นมันชรกโดนพริกมันเผ็ดเราก็ชอบไม่ชอบเผ็ดพอจินเผ็ดปุ๊บมันปวดท้องปั๊บมันเห็นเห็นกายมันเป็นใจมันเป็นอ้าโอ้ความรู้สึกว่าก็ขยับกินเคี้ยวไว้ไปมาโอ้มันก็เกิด เวทนาเกิดขึ้นปุ๊บมันไม่ได้สนใจเวทนาแต่มันไปนสนใจอยู่ที่ความเคี้ยวกินดื่มที่สัมผัสอาหารแล้วเวทนามันก็หายไปเนี่ยการกินเนี่ยเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติหน้าที่ของมันพอหน้าที่ของเราสติของเราหน้าที่ของเราแค่รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกินการเคี้ยวการดื่มการใช้ชีวิตนะอาตมาใช้อย่างนี้มาตลอดเดินไปไหนมาไหนอาตมาเป็นคนจริตเร็ว เป็นคนที่ห้องแคลวว่องไวอาตมาจะมาช้าไม่ได้แต่ที่อาตมาเดินปุ๊บปุ๊ปุ๊ไปเนี่ยอาตมาเห็นความรู้สึกทั้งกายทั้งใจเห็นกายของอาตมาเคลื่อนปั๊บปสัมผัสรู้ปั๊บสัมผัสรู้ปั๊บเพราะมันธรรมะมันเป็นของเราอะธรรมชาติอะธรรมชาติมันเป็นของเราเราต้องศึกษาเข้าใจเขาแต่อยู่กับเขาอาศัยเขาเราไม่ต้องไปสร้างเรื่องมันไม่ต้องไปสร้างบทบงัง แค่รู้ตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่นั้ น, น, นแหละอาศัยเขานั่นแหละอ่าเรามีกายเราก็ใส่กายเพื่อจะมาฝึกนิสัยตัวเรามาฝึกเราเพราะว่ากายเนี่ยมันสัมผัสได้ถูกต้องได้มันบอกความตรงตรงมันเป็นซื่อๆมันไม่เคยโกหกเราอาตมาเองว่าเห็นกายเนี่ยมันเห็นกายว่ากายไม่เคยโกหกเราเลยอย่างยายๆนั่งอยู่เนี่ยเริ่มปวดขาไหม เมื่อกี้นี่ก่อนกีนนี่มันบอกว่าหิวข้าวใช่ไหมเจ็บท้องไหมมันโกหกเราไหมพอกินเสร็จมันบอกว่าอิ่มมันหิวไหมมันบอกว่าหิวอีกไหมหรือว่าเมื่อกี้ไม่หิวข้าวมันไม่เคยโกหกเราเลยเมื่อก่อนเนี่ยเอาเราเอาแต่ใจเป็นที่พึ่งเอาเป็นผู้นําพอหลังจากนั้นเรามาเข้าใจเนกายเนี่ยมันซื่อตรงแท้ๆกับเราตลอดเวลามันบอกเราทุกขณะ แต่เราไม่เชื่อมันเองแต่เรากลับไปเชื่อใจใจมันบอกขั้นตอนอย่างนี้ทําตามทุกพอมาเข้าใจจนนี้ปุ๊บนี่ยมาดูกายกายมันจะบอกความซื่อตรงกับเราตลอดเวลามันบอกเพื่อรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปมันขับความสุขเรามันไม่หาความทุกข์มาให้เราได้แต่พอตั้งแต่เรามาอยู่กับกายปุ๊บนี่ยเราก็มีความสุขเกิดขึ้นได้เห็นว่ากายนี่ยมันตรงกับเราตลอดเวลามันบอกเราเราเคยเอามาเป็นที่พึ่งบ้างไหม ถ้าจับได้ปุ๊บเราไปทำการทำงานใช้ชีวิตยมมีจับมีบายมีเขียนมีเดินมีนั่งไหมมีแต่ยมแค่ใส่ใจรู้ตามความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันจะใช้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากพอมาเข้าใจตรงนี้ปุ๊บโอ้โหชีวิตของเรานี่มีค่ามหาศาลเกือบเราจะไม่ได้มาเจอแบบนี้นะ พอเราได้เจอปุ๊บเรายินดีพอใจกับมันเราก็ได้เจอเราก็เห็นว่ายินดีไหมก็ยินดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยินดีที่ได้เกิดมามาเจอพุทธศาสนาแล้วยินดีที่สุดเลยดีใจมีปีดีบ๊ามโมที่สุดที่ได้มาเจอสายหลวงพ่อเทียนแบบเคลื่อนไหวนะเพราะมันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปจากความโกรธมันเยอะๆจากความเร่าร้อนมันเยอะๆการพูดอย่างเงี้ยมันไม่เป็นแล้วนะเมื่อก่อน เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้มันจะเร็วมากเร็เวแทบโยมฟังไม่ทันแต่เดี๋ยวนี้มันนิ่งขึ้นเย็นลงเย็นลงเย็นเพราะจิตใจมันเย็นมันก็เลยทําให้เราเออพูดไปตามเหตุตามบัจจัยมีอะไรก็พูดไปตามเพราะเราไม่ได้จําอะไรมามันเกิดอะไรขึ้นก็พูดอันนั้นมันรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นพูดสิ่งที่เรามีดีกว่าไปนินทาของคนอื่นที่ไม่ใช่เราใช่ไหมเอามาคิดอย่างนั้นนะ สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรามีแต่บางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์ประโยมบ้างบางครั้ก็ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ก็คงจะไปถือสาอะไรอันไหนที่ดีก็เก็บไปอันไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปอันนี้ตั้งแต่นั้นนั่นมาจนวันนี้อาตมา ก, ก็รู้สึกว่าการเจริญสติหลวงพ่อเทียนมีคุณค่ามากเปลี่ยนชีวิตให้อาตมามากแล้วอาตมา ก, ก็คิดว่าอยู่สายหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะทําให้อาตมามีความสุขคงไม่นานอาจจะถึงคิดว่าคงไม่นานจะถึง ถึงที่สุดของกิจคิดว่านะความคิดของเราแต่ความคิดมันจะไม่แน่นอนอาจจะเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างแต่ในความรู้สึกคิดว่าเส้นทางนี้เนี่ยถ้าเราเดินไม่หยุดคงจะถึงแน่นอนมันทำให้เราเห็นเราขับไปย้อนเรามองปัจจุบันนี้กลับไปห้าดีบมันละมันเลิกมันเบามันมันแตกต่างกันแต่ก่อนเหมือนรถไกรดินคิดว่ามันมีแต่ความโปร่งเบาสบาย มันมีแต่กายขจใจอยู่กันด้วยกันตลอดเวลาปัจจุบันเนี้ยกายกขจใจเนี่ยมันไปคู่กันทุกวันทุกขณะกายขยับปุ๊บใจรู้มาฟังตอนหลวงพ่อเทียนบอกว่ามีคนสองคนนอนเตียงเดียวกันอ่ะพอกายขยับปุ๊บใจมันก็มันก็ขยับเหมือนกันมันก็พันพร้อมๆมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหโยมมันมีความสุขมากความสุขก็ไม่สุขนะแต่ใจมันไม่ทุก มันมันปลูกมันเบามันสบายมันทําหน้าที่ของมันเนี่ยตลอดเวลาเมื่อมันเห็นตรงนี้ปุ๊บมันจะเห็นจิตเห็นใจเห็นความนึกคิดเห็นอะไรนั้นมากมายแต่อย่าไปเป็นกับมันแค่เห็นแค่ดูแค่รู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นภาวะอีกภาวะหนึ่งที่ให้เราเรียนรู้เฉยๆอย่าไปเชื่อมันคือที่จะเชื่อได้คือกายของเราเนี่ยอยู่กับกายอย่างเดียวอยู่กับหลักอย่างเดียวก็คือกาย กาเราอยู่กับความรู้สึกตัวตเดียวเนี่ยจะปลอดภัยแต่ถ้าเราไปอยู่ภายในถ้าภาวะเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยเราไปเห็นมันจะตื่นนอกโอะมันจะตื่นในหลับนอกมันจะไม่ตื่นกายตื่นใจแต่ถ้าถ้าเราอยู่กับกายมันจะตื่นกายตื่นใจเมื่อตื่นกายจิตมันก็เกิดปัญญามันก็เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ปัญญาของวิปัสสนามันไม่มันไม่ม ปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วแต่มาเข้าใจอย่างนี้นะสมาธิจากวิธีการเจริญสติเนี่ยมันอยู่กับการเคลื่อนไหวแต่มันไม่ไปกับความคิดสมาธิกรมตั้งมั่นตรงเนี้ยมันจะไม่ไปกับความคิดที่การเกิดของกายแกะจิตมันตั้งมั่นอยู่ทั้งๆที่ลืมตาทั้งที่ทํางานแต่ใจมันตั้งมัน่นนี่คือสมาธิต้องมีสติมีสติมีสมาธิ ม, ม, าธมีปัญญา ตัวสติที่เกิดมีต่อเนื่องมันจะเกิดเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตเฝ้าดูกายเห็นกายดูกายเห็นกายดูกายเห็นจิตดูกายเห็นจิตดูกายเห็นจิตแต่ไม่ไปกับมันแต่รู้มันมันไม่วันไหวไม่งอนแง่ไม่คลอนแคลนกับอารมณ์อันต์นั้นนี่เขาเรียกว่าสมาธิสมาธิตัวนี้พามาธิปัญญาปัญญามันกลับมามองสังขารตัวเอง เอาชนะตัวเองเข้าใจตัวเองปรับตัวเองเข้าอยู่ไม่ได้ไปเอาชนะคนอื่นปัญญากลับมารอบรู้ตัวเองว่ากายนั่งอย่างนี้มันทนได้ไหม <Oui. S 1> เวทนาแบบนี้มันจะแก้ไขตัวยังไงมาเห็นรอบรู้ว่าเออสังขารมันเป็นแบบนี้แนะ่กิจมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจอย่างนี้แต่มันไม่ยึดในสิ่งที่เป็นอยู่แค่นั้นเองนะอันนี้มันเห็นอย่างนั้นมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นดูอย่างนั้นมันก็มีความสุข มันเห็นความพอดีของตัวเองเห็นการเกิดการดับของตัวเองมันก็อยู่สบายๆถามว่าปัญญาจริงๆของวิปัสสนาจริงๆเราคิดว่านะอันนี้คือความคิดของอาตมานะความรู้สึกว่าสังขารว่าปัญญาเนี่ยกลับมารอบรู้สังขารไม่ได้ได้ดูคนอื่นไม่ได้รู้คนอื่นรู้ตัวเรานี้แหละเห็นตัวเราเนี่ยเห็นเรานึกเห็นเราคิดเห็นเราเป็นเห็นเรามีอยู่นี่แหละแล้วเอาชนะมันไม่ไปกับมันแค่ดูมันเฉย อันนี้อาตมาก็คงจะพูดเยอะ <Okay. S 1> แต่คงจะไปสเปซสปะเนาะ <Okay. S 1> พูดไปพูดมากลับไปกลับมาก็ตามธรรมชาติของอาตมาคือเป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> ความผู้รู้น้อยหน่อยแต่ก็มีความตั้งใจเนาะ <Okay. S 1> อันนี้ก็อยากจะให้ญาติโยมลองเข้าไปดูว่าตามดูความรู้สึกตัวอาศัยกายเป็นที่พึ่งเอาใจเป็นผู้ตามดูตามดูตามดูตามดูการเกิดขึ้นของกายการกระทบแต่ละครั้งแต่ละครั้งสิ่งที่กระทบกายนี้แหละ เป็นตัวสติเป็นตัวพุท ธ, ธะตัวพุท ธ, ธะมันเกิดคือหนอ่อเมื่อกี้อาจารย์พงษ์ให้หน่ให้เม็ดงาวันนี้อาจจะมาให้เย่า้าติโยมคือหน่อโพธิคือผู้รู้ผู้ตื่นคือตัวรู้สึกตัวที่กระคบนี้แหละจองไปปลูกดูไปรดน้ำพรวนดินดูนะอาจจะมันมันอยู่ที่ว่าใครจะรักษาได้ คือความรู้สึกตัวกายสัมผัสใจรู้กระทบรู้สึกรู้สึกลมพัดเย็นรู้สึกตัวนี้แหละคือหน่อพุท ธ, ธะหน่อโพธิมีอยู่ทุกคนแต่คนทุกคนต้องลดน้ำฝนพื้นดินเองนะขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญจงเห็ น, หนทำในเร็วๆนี้ทุกคนทุกขั้นเธอ